หวานขาวรวมในบาทหมดไม่มีถ้วยไม่ต้องไปล้าหวานขาวใส่ในบาทก็พิจารณาปัจจัยสี่แล้วก็ฉันเคี่ยวจะชาเที่ยวหนอกรือหนออย่างนี้ไปต้แล้วสถิปติฐานสี่ที่ตมาเรียนมาไปสอบความรู้ถามท่านสอบอารมณ์ให้บัดนี้ตมากําลังเขียนตาําราตามที่อาจารสอบอารมณ์มาตมายังจําได้ทั้งหมดมีกําลังเขียนไปได้ร้อยหนะ้ากระดาษทุกแกรแมแล้ว เดี๋ยวตมาตายไปจะม ม, มีตำราสอบอารมณ์ที่แน่นอนและถูกต้องก็ได้จากหลวงพ่อองค์นี้มากก่านสอบอารมณ์เราอย่างไรอารมณ์เกิดขึ้นอย่างไงได้อะไรอะไรตอดไว้ครบแนวนี่จะพิมะะพ์แจกเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีกิจกรรมรู้กฎแห่งกรรมได้ในเล่มนี้แน่นอนที่สุดนี่แล้วทีนี้ก็โยมมาทำบุญแล้วส่งภาษาบอกหลวงพ่อเราไม่รู้เรื่องท่านก็กรทีบอกเราบอกนี่เธอมีผิดีดิบ มันมากินคนแล้วก็เข้ามาบอกให้หลวงพ่อไปไล่ผีแล้วไปรดน้งมนต์ไปบางทรายหลวงพ่อบอกเดี๋ยวฉันก่อนจะทําให้แล้วก็บอกหลวงพ่อมีกระถาบทไหนผมจะจดแล้วก็ท่านบอกไม่ต้องจดเดี๋ยวจะทําให้เดี๋ยวให้รู้นายที่สุดไปยังไงอันนี้จะมาขอยืนยันดูตนเองไปประสบมาก็ท่านก็ไปชี้บอกนี่ขุดเอาผีขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ต้นค้างนี้ ก็ขุดดูอาตมาก็ฟังเสียงคนพูดไม่รู้ภาษาคนชาวดอยคนชาวเขาพูดจาเราฟังเสียงไม่รู้เรื่องแต่หลวงพ่อท่านรู้เรื่องหมดก็ขุดมาเจอผีซากผีผมยาวเหมือนลิงนมยังตั้ง ต, า, งตาขอภยัยโยมผู้หญิงด้วยเราดูแล้วพาไม่มีโน่งมันคงขาดไปนะมีขี้ฟ้าไอขี้ฝาาสัท์ยังอยู่ครบ แล้วก็เอาผีขึ้นมานอนร่างกายเล็บงอกได้ผมงอกได้แล้วก็ฟันงอกได้ตาเนี่ยโรยบ้าลาลืมแป๊วตาโรยหลวงพ่ออธิบายจะมาฟังว่านี่เรียกว่าผีดิบถ้าหากว่าไม่ได้เผาร่างมันมันอยู่นานไปนานไปก็ไอ้พวกเล็บมันงอกขนมันงอกหมดพองอกหมดแล้วได้ที่ มันจะขึ้นมากินคนกินเลือดมนุษย์แล้วก็จะไปสิงเสือไปหลอกในพลานที่ทำอยู่ที่คบไม้แปลงเป็นเมียมานีท่านเล่าให้มาฟางังแปลงเป็นแม่มาบ้างเป็นเมียมาบ้างลงเถอะพี่แม่กำลังป่วยหนักจะตายแล้วลงมาเถอะแล้วถือข้อไปถือค้ ไ, ไปลายไปแล้วก็ท่านเล่าให้มาฟังบอกว่าในพลานเก่าเขาจะไม่ไวนา เอาเปืนกระปายิงทีเดียดยิงเมียนั่นแหละยิงตรงไหนก็ยิงที่ฝ่ายอย่าไปยิงโดนตัวมันพอยิงปองออกไปเสือสามวานอนดิษ น, นั่นเนี่ยคือเสือมันจะมาหลอกให้ในพลาลงไปจะได้กินเลือดกินเนื้อเสียงนี่เร็วกว่าผีเด็บมันสิงเสือไปนี่คําคนเล่าแต่จะมาไม่ได้ไปเห็นเองในที่สุดบอกอพ่อใช้กระถาอะไรครับไอศอแบบนี้ บอกเดี๋ยวเธอไปรู้ต่อไปก็กท่านส่งภาษาให้พวกชาวดอยดเอาฟืนมากเผาเลยแล้วให้ธรรมาบอกอานิจจาวัจสังขาราทานให้ธรรมาบางสกุลแต่ท่านไม่ต่อ บ, บางสกุลเสร็จแล้วก็เอาฟืนเผาท่านบอกว่าไอ้ผีดิบเนี่ยแก้ได้ทางเดียวคือเผามันเชียแล้วท่านก็เล่าบอกอตามที่เขาไอ้ป่าชาจีนเขาลู้ป่าชาไปเจอผี ที่มันงอกได้มันไม่น่าก็กลับไปเป็นเจ้าแม่ไปไหวสารเจ้าไปขอหวยนั่นจะบอกว่าผีดิบแต่ผีดิบนี้จะไม่เป็นกับผู้ชายมันมีเหตุลายอยู่ข้อหนึ่งคือใจอำมหิตดุร้ายหยาผัวและก็หึงหวงในเรื่องทุสาวแล้วก็ตายรับรองเป็นผีดิบทุกรายถ้าหากว่าภาคกลางเรามีไหมไม่มีไม่ใหญ่เพราะตายไม่เกินร้อยวันก็เผาก็ทั้งนั้น เผาหมดมันก็ไม่มีผีดิบนี่เหตุผลแล้วท่านบอกว่าเหลืออีกศพนึงจะเป็นอยู่เนะีก็ไปขุดอีกศพนึงขุดมาขนกาลังงอเล็ยบยาวออกมาแล้วนี่อย่างนี้เรียกว่าผีดิบแต่แล้วคนบ้านนั้นเขาราจจะมาฟังว่าลูกเขาไปเรียนที่เชียงใหม่กลับมาต้องให้หนุ่มผาถูงแต่งตัวเป็นเป็นผู้หญิงจ้ะผีจะได้ไม่มากินอันนี้เรื่องจริงที่สมาะสบมา ข้าเท็จริงท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรสา ม, มาเชื่อหมื่นเปอร์เซ็นเพราะไปประสบมากับหลวงพ่อองค์นี้เนี่ยก็ได้ผลมาตามนัยนี้และ ว, วิธีสอบอารมณ์อาตมาจึงรู้กฎกแห่งกรรมจากหลวงพ่อองค์นี้ทางสอบอารมณ์อาตมาอาตมาจดจํากําหนดเร้่อยมหมดพร้อมเด็กครูบาอาจารย์ที่วัดมหาธาตุคล้ายคลึงกันแต่วิธีพิเศษก็คือในอรัญญวาสีที่ถูกต้องทีหนึ่งที่อาต ม, มาถึงท่าทายก ถ้าทำได้จริงหนึ่งรู้ล้ำึกชาตได้สองรู้กดแห่นกรรมในตัวเองได้สแก้กรรมอย่างไรแน่นอนที่สุดลําลึกไดเลยลํา ล, ลึกบปการีได้นึกถึงพ่อแม่ก่อนนึกถึงพี่ป้าหน้าถึงถึงครูอาจารย์ขึ้นมาก่อนพอแทนก ร, รมรู้อย่างไจิตละเอียดเข้าสติครบเข้ามันจะรู้ว่าเป็นเด็กไปเตะใครเป็นผู้หญิงผู้ชายไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปทำลายกับใครมันจะละเอียดอ่อนไปถึงอยู่ทางโรงเรียน ว่าเรานี้มีกรรมได้ไปทําเขาไหว้จําได้แม่นยํานี่รู้ก่ฎแห่งกรรมอย่างนี้สามรู้เหตุการณ์ชีวิตว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะบอกได้นะอะไรบอกสติบอกนะสะติบอกนะนี่ตมาก็ได้จากหลวงพ่อองค์นี้เดี๋ยวนี้ยังอยู่นะก็มาสอนวิปัสสนาให้กับเด็กนิงเทพตอนที่ตมาก่อนที่คอจะหักมีเด็ก อายุซื้อแบตควบทำวิปัสสนาเก่งมากเป็นลูกคนจีนนะตียจีนแม่จีนทีเดียวแล้วทีนี้ก็เขาก็เลาว่าทำไมเด็กคนนี้ไปอัศจรรย์มากรู้เองโดยไม่ต้องไปหาพระโดยไม่ต้องไปหาวัดไหนเลยแล้วแม่มาเล่าจะมาฟังก่อนบรงพ่อพะโลกฉันแปลกมากเขาสวดมนต์เป็นหนูก็ไม่เคยเข้าวัดกขาว่า แล้วมาวันหนึ่งเขาบอกว่าอามาจะตายวันที่เนั้นถึงวันนั้นก็ตายจริงแล้วมาต่อมาอีกวันหนึ่งเขาบอกว่าคุณแม่บอกอาปาด้วยบอกอาปาด้วยอากงจะตายวัน <textbook pai> ท <frames> ี <detailed sense> ่เน <'s Von> ั้นเปลี่ยมได้พอถึงวันนั้นอากงก็ตายไปลมตายแล้วมาอีกวันหนึ่งอาปาเขาจะไปชนบุรีเขาก็บอกกับแม่ว่าคุณแม่ครับคุณแม่คะคุณแม่ต้องไปด้วยนะ ทำไมไปไม่ได้นะนลูกเราเคยพูดถูกตลอดมาก็ลองไปดูไอ้แม่ก็มีงานว่าแม่ไม่ไปไม่ได้แม่ก็ไปครับกลับอาปาขับรถขับก็เดินออกไปประตูเปิดรถก็ไปทับเอาหน้าอกทําทองให้ใจไม่ออกเลยแม่ก็ออกจากรถได้ก็ไปเรียกรถสุดล่อมาช่วยกันงัดอาปาเขาจึงรอดจากภัยอันตรายได้นี่เห็นไหม ได้ความออกมาว่าเขาก็บอกกับคุณแม่บอกคุณแม่คะ่ะหนูอายุที่หกหนูจะต้องขอลานะขอลาจากคุณแม่ไปหนูจะมาอยู่กับคุณแม่เพียงอายุสิบกปีนี่เด็กว่าอย่างนี้เลยทีน่นี้เขาก็บอกว่าไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าต้องไปยกให้พระทียแล้วถามเ็าด้วยเขาจะชอบพระที่ไหนเลยแม่ก็ไปหาหมอดูว่าต้องยกให้เป็นลูกพระเขาจึงจะอยู่ได้ ตอนนั้นอายุสิเบเอ็ดแล้วทายุสิบหกเขาจะต้องตายเรียนหนังสือเก่งเรื่อยมาตลอดเวลาการก็ก็บอกว่าเอาไปเปลูกของพ่อเอป็นวันไหมโอเคเขาก็มาเลยเนียมาที่วัดนี้อายุสิบอ็ดอาตมาก็ถามนะบอกหนูไปนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานสมาธิกับใคร <c oughs> ที่วัดไหนอายุหนูยังเด็กนะหนูคนนี้ล่า ว, ว่าหลองพ่อคะหนู เวลาสองทุมหลวงพ่อในป่าท่านมาสอนหนูคือละสิบห้านาทีสอนอยังไงจ๊ะสอนสติปัฏฐานสี่ขะรูปร่างหลวงพ่อของท่านเป็นยังไงถูกลักษณะหมดที่ต่อมาไปอยู่กับท่านมานี่บอกหนูมาสอนอยังไงหนูไปสวดมนต์อยู่ที่ห้องพระท่านมาเลยมานั่งสอนบอกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสนาสิปทานไอเด็กที่เป็ดที่เบ็ครวกไปเรียนบธรรมะที่ไหนว่าได้หมดเลยนี่เห็นไหมท่านทั้งหลายอาตมาก็ยอมรับอาตมาก็พูดต่อไปอคําหนึ่งบอกหนูทํารรมที่มานานเท่าไหร่แล้วกระแต่ข้างไหนหลวงพ่อคะหนูทำมาก่อนหลวงพ่ออีกนะคนัวล้อคลื่นเหนือที่กุติตมะก็เด็กตัวที่เป็ดขวกเท่านั้นจะทามาก่อนยังไง อาตมาขาอยอมรับเขาเขาทาขํามาครั้งอดีตชาติน่แหมาในชาตินี้มีพระมาสอนวันลสิพาณที่เห็นไหมเจ้าต่างหลายเ อ, อ๋ยเลยในสุดเขาก็ยอมมาไปลูกของอาตมาแล้วเขาก็จากไปในเวลาการต่อมาอาตมาขอหักก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีนในรวบรัฐเฮซัตนางพยาบาลก็บอกว่าหลวงพอ่อหนูอยากได้พระบูชาสักองค์หนึ่งและอีกคนหนึ่งชื่อนางอมพรนางสมพร หัวชื่อในมงคลวิทยุแต่วิทยุอย่างสิงบุรีเขามาเยี่ยมตมาเราก็นึกแล้พวพรุ่งนี้เขาจะตายเขามาเยี่ยมเราเขากลับไปสะอาดเลือดตายเราจะไม่มีเงินไปทำบุญกับเขาเราก็มาขอหากอยู่นี่เราอยากจะหาพราไตรซักหลายนึงแล้วก็เงิน 200, สักสองร้อเพราะศพขอ ง, ใ น, งในมงคลนั่นตั้งวัดพุกแก้วนพคุณ แล้วเราแม่อภรนั้นก็เป็นภรรยาของเขาเราก็ยังลุกไม่ไหวคอหักอยู่ที่โรงพยาบาลจะทํำยังไงจะกลับมาวัดจะสั่งใครจะเอาพระบูชาไปให้นางพยาบาลสักองคหนึ่งแล้วอยากหาเงินสัก200เอาผ้าไตรอย่างดีสักหนึ่งไกลเอาไปท่อที่เมนเพราะในมงคลวิทยุมีประโยชน์กับเรามากมีบุญคุณการเขามาเยี่ยมเราเขากลับไปตายเสียนี่เราก็ต้องรู้สติบอกนะก็เกิดสังหอนโดนบาดา ลูกสาวยูสเบตครวบนี่ก็เรียนให้แม่ทราบว่าคุณแม่คะหนูคิดถึงหลวงพ่อจังไปเยี่ยมหลวงพ่อแทนหนูได้ไหมนี่เด็กที่ยูสเบครวบนะก็บอกว่าไปแทนหน่อยแม่ก็บอกว่าเออจะไปเยี่ยมยังไงคุณแม่คะไปถวายสังฆทานให้หลวงพ่อด้วยที่วัดอวัวันเอาอะไรบัางลูกเอ้ยนี่เด็กที่บุตรครวบบอกได้หมดบอกเอาภาพพุทธรูปหนึ่งอง เราเชียงแสนด้วยนะแล้วผ้าาสอย่างดีด้วยแล้วก็มีเครื่องสัปพิวาลังอย่างโน้น อ, อย่างนี้ครบแล้วก็คุณแม่เอาเงินถวายสังฆทานทําให้กับหลวงพ่อสองร้อยบาทนะลูกชาวมาเลยมาถึงวัดอภวันมาถึงเอามาแวะเข้ามาบอกเอา้าหลวงพ่อคอหักตาอยู่ที่โรงพยาบาลโน้นอ่ะนี่ลูกบอกให้มาหาหลวงพ่อนะวันนี้เน่ะ บอกให้เาเงินมาสองร้อยพระพุทธรูปหนึ่งองค์แล้วเขา่าใจหนึ่งกล้แล้วเขาก็ปรีไปที่โรงพยาบาลเอาตอมาก็กาลังเขากาลังประคองนั่งกาลังนั่งอยู่เห็นปับแม้มันตื้นตันเลือกเกินได้ไกลายแล้วเงินสองร้อยพพุทธรูปหนึ่งองค์เขาบอกแหม้ไม่รู้เลยว่าหลวงพ่อขอหกักพ่อลูกสาวลบเล้าตั้งแต่เมื่อวานบอกให้มาหาหลวงพ่อให้ได้ แล้วลูกสาวก็ไม่จะบอกว่าพ่อขอหักแต่ประกันได้เลยเราก็ชื่นใจพอเขากลับไปแล้วพระหนึ่งองค์ให้นางพยาบาลไปสมปรารถนาแล้วเงินเรียกแม่ออมพรมาเอาเงินให้ไปสองแล้วผ้าใยไปท่อไทเทรลแทนอาตมาหน่อยนะอาตมาไปไม่ไหวนี่สมปรัถนาอย่างนี้ไอสตีตัวเดียวเงินหลายนองทองหลายมาเลยนะถ้าท่านผู้ใดทําผู้นั้นจะรู้เองเพราะฉะนั้นท่านไม่ทําอาตมาก็ช่วยไม่ได้ นี่แหละนาช น, า น, านิดปฏิบัติหลายอย่างที่ตา ม, มานี่ไปพบหลวงพ่อในป่านี้ท่านแนวจึงได้ไม่งั้นอัตมาเสียแนวก็คงมโนยิธิก็คงจะเล่นเล่เททุบายเพลงประสินไปตามเรื่องตามราวของเราพอได้สติตัวเดียวทายปัญหาออกและแจ้งชัดเหลือเกินแล้วเราจึงได้เดินทุกรงกับท่านเมื่อตอนอิตมาอายุสี่สิบห้าปี เดินไปกับท่านซึงได้รู้เรื่องในลาวในป่ามากมายและการสอบอารมณ์อย่างไราอาตมากำลังเขียนอยู่ในบัตร น, นี้และใครจะจบอีกร้อยหน้ากระดาษพิสกจก็จะจบไปรูปเล่มเพื่อให้แก่คู่มือแก่พระอาจารย์กรรมฐานที่จะมีบทความที่ลี้ับอยู่มิใช่น้อยเพราะนั้นขอสรุปว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้น ไม่อะไรดีเท่าออการจเจริญสติปัฏฐานสีขันห้ลูปน้ำเป็นอารมณ์เราจะรู้วาละจิตของคนได้รวมหน่วยกิจไว้วัละเล็กวัละน้อยไม่ใช่หมายความว่าว่างแล้วก็มาจเจริญนะการทำงานเขียนหนังสือก็กำหนดด้วยเสียงหนอกำหนดด้วยตาเห็นโลภก็กำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอราคาหลายแสนจากยืนหนอห้าครั้งแต่ปลายเท้าปลายผมลงมาเบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาห้าครั้ง แล้วเราก็ดูคนอื่นอย่างนั้นว่าเห็นหนอมันเห็นด้วยปัญญาเดินเข้ามาแล้วใครหนอเห็นหนอปัญญาบอกว่าคนนี้นิสัยไม่ดีคบไม่ได้จะไม่ผิดด้วยเดินเข้ามาเอกจะรู้เลยว่ามาเอาอะไรตอบออกมาทันทีสติบอกสมประชัญญารู้มาขอยืมเงินแน่นอนไอส้สำประชัญญาออกมาสัมผัสเกิดปัญญาบอกว่า อย่าให้เขายืมศูนย์ศูนอย่าให้เขายืมแหมเอาคี้หูเข้ามาหาที่ตามมาให้อย่าไปให้อนี่อย่างนี้เป็นมิตรในตอนกู้เป็นศัตรูในตอนทวงนี่ตําราออกมาสตีบอกเป็นมิตรในตอนกู้จะเป็นศัตรูในการทวงตอนทวงเป็นศัตรูกันแน่ อย่าให้เลยคนชนิดนี้รูปร่างสวยอย่างพระเอกนางเอกอย่าให้นี่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์หรือไม่เราจะได้รีบให้เขาทราบว่าเขามาเอาอะไรอย่างท่านทํางานอยู่ในกรมหรือทํางานอย่างอื่นก็ตามมันจะบอกลักษณะการออกมาทุกรูปแบบว่าคนนี้ครบได้อยู่ไหมเป็นนักธุรกิจเข้าหุ้นบริษัทได้ไหมหรือเข้าหุ้นหวยเป็นเจ้ามือหวยลวกด้วยกันจะได้ไหมอะไรทํานองนี่ อันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งอันนี้มันเป็นประโยชน์มากท่าน ท, ทั้งหลายเอ๋ยถ้าปฏิบัตินะมันสวดมนต์ไหว้พระไม่ใช่มานั่งฟังแล้กวก็แก้ปัญหาได้นะต้องทำนะเนี่ยจะมาขอเนีแยวว่าตีสี่ลูกมาพร้อมกันเถอะสวดมนต์สำคัญโอยเมื่อยจังเลยตื่นหาเลยตีสี่แล้วไม่มาอบรมดีกว่าดูที่บา้านยัตื่นหังมองเลย มาตื่นหาดทีสี่ไม่ได้เรื่องนี่สิลำคัญอย่างนี้แต่มันไม่ได้เรื่องมานานเอาเถอะท่านสังหลายเอยตื่น 4, ทีสเถอะมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วเดินจง ก, กลมเลยเดินจงกรมแล้วนัง่งซะนั่งให้ท้องระบายลมได้เลยแล้วว่าพอเสร็จเรียบร้อยไปทานข้าวคุณละสี่จานห้าจานมันจะได้อิ่ม้ําทํารานแล้วย่อยง่ายดีไม่เป็นโรคจานองนี่เป็นตน้นแล้วที่ว่าออกกําลังออกแบบไหนรู้ไหม พอพูดถึงตอนนี้จะมาขอให้เทคนิคไปท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อตามใจโรคมะเร็งโรคตับโรค ล, ลำไส้โรคไตแขวนแขนไม่ต้องไปเชื่อเดินแขวนแขนออกบ้านแล้วยอมผู้หญิงไม่ต้องไปแจ้งอะไรนะเขาเรียกอะไรอาระณบุกอารมณ์บุกนะ้า อ, อ, อ, อะไรนะนะเห็นเขามาเลือที่ด้เนี่ยนะเขาบอกหลวงพ่อเอ้ยตั้งแต่ดิฉันไปเต้นมาเนี่ยท้องยบเลย เอ๊ะมันยุบยังไงเงะยุบยังไงนะเนี่ยยอมผู้เย็นเคยเต้นไหมเต้นให้ท้องยุบแล้วก็บอกตั้งแต่ฉันไปเต้นมาเนี่ยฉันเลิกแล้วไม่เอาไม่ไมาเอาผ้าเคียนพุงเนี้ยมันเคียนตรงไหนกันนะเคียนพุงไม่พุงโตเคียนตรงไหนเนี่ยเนี่ยเต้นอะไรนี่เต้นยังไงอำนาจเต้นเป็นไหมนะ ไปแต้นทําไมให้เสียเวลางานนี่เดี๋ยวสาธิตจะดูสักหน่อย ปาเนี่ยหลอกพ่อที่บอกคนนึงไประลคนหนึงไปรอบไอ้บคนนึงข่าวไปรอบใต้ทำอะไรได้บนี่วกสาวป๋าียลอก่อในปนะนี่พวกแขนเนี่ยเดิอยู่กันองเนี่ยวีหมอพทยพิการตัวโยงาที่นี่มคุยที่นี่แล้วตอนนี้แล้วอวงออกเวทปีน้ปนเดินจงกรเดินงะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวะดี๋ยวเนี๋ยวนะอีกทีนะแล้วทำไงรู้ั้ยเอาวันละ10ครับแล้วไปต่อไป 20, 40, 50, สีถึง100ครั้งตุววันนะถ้ามีกำลังมหาศาลเลยนะแล้วโลกเนี่ยแล้วเนี่ยของฝากประยัดทองตอใช่ไหมท้องต่อไหมันจะยุบเลยนะยกลงมาทันทีเลยนะทำยังไง แม่ต้องเอาเสื้อออกถะดูถึงจะพองถึ่จเห็นอ่านาเอเสื้ออกนะพองมันจะอย่างนี้เลยซิกซายพอนี่นี่นี่ท้องอย่างนี้นี่อย่างนี้นะพุทธเจ้าสอนนะนี่บอกแมแล้วว่าคนมัสอนสรงเดชไปได้อกไปว่าพุเจ้าโนนี่ทำอย่างนี้แล้วพองมันจะขึ้นอย่างนี้ เนี่ยรำไส้มันจะทึบจะใส่กินข้าวไม่ได้สองทามเลยนะบอกนะเนี่ยอะไรที่ทางร้องที่พอดีบอกเว้งใช่ไอ๋อเว้งเฉียวมีดีกว่าเขาจะไปเว้งให้เสียเวลาไปเว้งพุงทธจักรเนี่ยสวนจักรจะเจ็บไปเลยจะเป็นจักะ จะถูกจับตาจับจะถูกจับเลไปทำไมอย่างนี้เวลาเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเต้องไปบอกหกอ่ะเลยก็ามาก็ลองแย่รู้ว่าใครอารบิกหรือเปล่ารู้หมดเลยเนี่ยแสดงว่าหกเราทั้งนั้นเลยอารบิกแล้วก็อะไรเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเนี่ยอำนาจเมื่อกี้เขาบอกอาชี่จับกันไปคู่เขาเลิกแล้วเขาเรียกอะไรนะแป๊กแดงเหรอเรียกอะไร เบรกไนะโอ้โ ห, โหแหมเรานี่เปิดพิพสวยเรายังล้าสมัยอีกนะี่ตายหาไม่ทันสมัยแล้วเบรกด้านนโอ้โหตายเราไม่รู้เรื่องเขาเลยเนะอะอ๋อเตนเก่งเหมอน่ะเดี๋ยวเวลาจะกลับต้องเต้นให้ดูนะเราจะเรียนไว้ <c oughs> สอนเราบ้างซีแรลกกัน ก็ออกกำลังอะไรวิ่งไม่เดือความ <c oughs> เนี่ยอาจารย์จำอัิมาไว้นี่เรื่องจริงเ <c oughs> วลาที่เชียงรายมันไปโลกมะเร็งจะตายเนี่ยก็หมุนไอ้แขนเนี่ยมันรีบไปข้างเลยนะเนี่ยถ้าขายแขนรีบนะหมุนเนี่ยเป่งขึ้นมาทันทีแล้วก็แขอนรีบเดินก็เพกก็เพกขารีบไปข้างนึงเตะเลยเตะ แ, แต่ต้องเอามือกดนะให้เตะให้มันถึงมือเราเตะถึงมือเราเนี่ย แค่แค่สิบวันแล้วก็เจ็ไปเจ็บมาดีก็ไปวิ่งนอกบ้านให้โขโมยมาย่องเบาของไปตบบนแล้วเราก็ไม่มีใเห็นในบนบนบ้านเรานี่แหละ<ช>นะแล้วก็อาบน้ําซะแล้วกินน้ำหัแก้วรับรองเศษอาหารจะไม่มีติดค้างอยู่อันนี้เป็นสุขภาพอนามัยที่พระเจ้าสอนอย <c oughs> ่างดีจึงมีการเดินจงกรมขอจเจริญขอเรียนพระภิกษุทั้งหลายว่าการบินทบาทกวาดวัดเป็นการออกกําลัง ที่ดีที่สุดถ้าจึงบอกให้ขวาดและออกบิณฑบาตเพื่อเป็นการออกซืเจนใสแข้งขาไปด้วยไม่ใช่กินแล้วนอนแล้วก็นอนแล้วก็กินตามวัยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทําความเพียรมากตายชา้ากินมากนอนมากตายไวที่สุดเหมือนหมูอา้าวจริงๆอ้วนแล้วก็ใส่ตาลตายนะทำไมนะหลวงโบเลตบำรุงต า, ทาลท่าติปกษียมจากผู้บริการจังหวัดทา่าติเองคุณหลวงคุณพระด้วยกันทั้งนั้น ก็เป็นคนออกจากราชการแล้วคุณหลวงบอกว่าจะไปช่วยงานประเทศชาติแต่อีก4ี่หคุณหลวงบอกว่าจะไปอยู่กับลูกกินกับนอนคนที่ไปอยู่กับลูกกินกับนอนตายหมดตายก่อนคุณหลวงหมดคุณหลวงจะมีอายุถึง80กว่าจึงจะตายก็แสดงว่าไปช่วยสมเด็จพระราชาุรนีแล้วก็ช่วยกิจิวุฒโธแล้วก็ยืนพู้ถกจมงไม่ยากแล้วก็สาวๆขึ้นมากเพราะกลายเป็นหมอโบราณด้วย หมอเลือดลมไม่ดีกูหญิงส่วนมากไปเลือดลมไม่ดีก็ขึ้นแก่นี่หลวงปู่เรียบดุงการก็มาอยู่ที่วัดอภวรเนี่ยจึงรู้ประวัติดีนะ <c oughs> เป็นพรและขอเรียนพระสูงองค์เนนว่า <c oughs> การเจริญวิปัจนากรรมฐานเป็นการออกกำลังกายออกกำลังใจเป็นการด้านพัฒนาศิตพัฒนากายไปด้วยในตัว ไว้จริงในการเหลียวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเยียดขามีสติครบถึงหากว่าท่านคณะกรรมาิการทุกท่านถ้าจะเตะขาหรือว่าจะแกว่งแขนต้องตั้งสติเอาสติยึดเหนี่ยวที่การแกว่งไปด้วยแล้วก็มีจิตใจดีไปด้วยต้องมีห้าอห้าอแล้วก็ใช้ได้ใครรู้จกักห้าอไหมห้าอใช้ได้นี่เนี่ยกรรมาฐานห้าอ ออที่หนึ่งอย่าลืมอย่าลืมข้อแรกออกกำลังกายออกกำลังใจออกกำลังใจก็คือยานเดินจงกรมกำหนดออกกำลังกายนี่ทามีสติครบเรียกว่าพัฒนาใจไปด้วยพัฒนาจิตอ อ, ออกออกออกกำลังสองอากาศดีสองอากาศดีออสามอาหารดีอาหารดี เซอารมณ์ดีห้าอะไรห้าอะไรอุจลระดีมีห้า อ, อเอาลองดูนะนี่เนี่ยห้า อ, อละถ้าอุจจาระไม่ดีปล่อยอยู่ท้องผูกไว้รับรองถ้าเป็นโรคยมผู้หญิงเห็นด้วยไหมจำห้า อ, อได้ไหมล่ะ แต่ไม่ใช่ออกออกกาลังทจงวิ่งออกไปนอกบ้านนะวิ่งในบ้านพอเตะเท้านี่เลือกินแขวงแขนเลือกินทําให้ได้หน่อยครับคอนที่มีโรคเลือดลมไม่ดีเป็นโรคประสาทโรคประสาทไม่ดีเนี่ยยังไม่ต้องเจริญสมาธิให้มีสติในการออกกําลังออกออกกําลังกายออกกําลังใจคือใช้จิตให้เกิดกําหนดได้นะอากาศดีฟ้อากาศดีเลยเนะี่ย อากาศเหม็นๆม่เหมือนจะผ่าไปนั่งอยู่ที่เหม็นๆต้องให้ซึิตรไซให้มีคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เวลากินแล้วก็ขับถ่ายนะกินโน่นกินนี่ก็นั่งตดจะมั้งเปล่าเนี่ยทําไมตดไม่ดีเนี่ยต้องทายไอ้ท่อไอเสียออกเนี่ยออกกําลังกายออกออดีสองที่เราอากาศดี สามอาหารดีอาหารต้องให้ถูกสุขภาพอนามัยอย่าไปทานทรงเดชไปนะให้มีประโยชน์ต่อร่างกายเคี้ยวให้ละเอียดถึงจะอาหารดีนี่มีความหมายมากนอกเหนือจากนั้นแล้วการที่เราอาหารอากาศอารมณ์ดีคอทีซถ้าอารมณ์ไม่ดีเนีย่ยสุขภาพเสียหมดห้าอุจจะลระดี ห้าอเอาไปให้ได้วันนี้ได้ห้าอเนะี่ยโยผู้หญิงท่องไว้เลยเนะี่ยจำได้ไหมห้าอห้าอสามจอห้าจอห้าจริงทุกสิ่งปอ ป, อ, ปอหลอก่อนะมีหลักซะด้วยนะอจ้านี่กรรมฐานก็เรียกว่าออกกำลังไปในตัวทั้งพัฒนากายพัฒนาจิตโลกนามขันห้าเป็นอารมณ์ที่จะมาพูดมาก็ เวลาสมควรก็ขอเปิดโอกาสว่าญาติโยมข้างหลังมีอะไรสงสัยไหมสงสัยถามมีอะไรสงสัยบ้างก็ถามได้มีอะไรสงสัยไหมแล้วการที่บริกรรมเนี่ยคาถาโาคมไสยศาสตร์นี่เนะไม่ใช่คาถาครั้งเนี่ย อาตมาไปได้จูดจากหลวงพ่อสุขไวมาคำเท่าหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อจงวัดนาต่างพระนครศรียุทยาหลวงพ่อจ่า จ, จังหวัดจันทิงหลวงพ่อจันวัด น, นมหนูวัด น, นางหนูหลวงพ่อมีไว้เขาสมอคอนลวกสิทธ์หลวงพ่อภาวธรรมตะโกท่านมีนิยามทำหลายอย่างและอาตมาก็พยายามถามเทคนิคของพระเถรรามหาเถระ ท่านมีอะไรดีบ้างก็จำมาท่านบอกคาถานี้ไม่ใช่ขลังเป็นบริกรรมเพื่อเป็นการฝึกจิตเสร็จนโมพุทธญาการผีได้โบราณเขาว่ามาอย่างนี้ขอแท้จริงนโมพุทธญาการผีจาที่ไหนการไม่ได้หรอกแต่เขาบอกให้กันก็ต้องการจะว่าคาถาเป็นแบบฝึกขาดให้จิตอยู่ที่เป็นสมาธิ แล้วต้องการให้เรามีสติสัมปชัญญะนั่นแหละทิ้งาการได้เช่นยกตัวอย่างหลวงพ่อสุวรรณมาขามถ้าบอกคาถาบทนี้สองหน้ากระดับทิชแก็เศษใบามาขามเป็นตัวต่อเระเบิดน้ำลงไปที่จะเป็นอาจารย์ของหลวงสุมพรพลเอก <c oughs> หลวงสุนพรนี้ก็ได้คาถานี้เป็นบทบริกรรมเพื่อเป็นการแบบฝึกขับให้จิตขึ้นเดินไปตามสะพานให้จิตสูงขึ้น ไอโบสบริกรรมนี่เป็นตัวคาถาถ้าหากว่าขลังที่คาถาเนียแจกนโมพุทธิยาไปทุกคนมันก็ต้องทําได้ทุกคนว่าถูกยังไงก็ทําไม่ได้พระเหตุใต้องฝึกบริกรรมแปลว่าหัตฝึกให้เกิดวัดสีเข้าออกให้จิตอยู่ที่ไม่คลอนเทนต์จิตปักอยู่ในจุดนั้นไม่วางธุระจิตขึ้นระดับชั้นปฐมทําอะไรได้บ้างจิตขึ้นมัธยมทําอะไรได้บ้าง จ็ดขึ้นมหาวิทยาลัยทำอะไรได้บ้างจิตสูงไปตามขั้นตอนคาถาทิ้งได้เลยถ้าจิตถึงนึกอะไรได้สมปรารถนาตามขั้นตอนึงเรียกว่าสะสมหน่วยกิจในชีวิตไม่ในการภาวนาไม่ใช่หมายความว่าคาถานี่ไปเช่จดอาตมาทิ้งั้งหมดนะเคยจดมาไปรูปเร่มเบลอเลยนีเลียงอยู่ครับกระดาษคอยก็มีคาถากันโน่นคาถารมนี่ออกลูกก็มี คาถาทําให้ผู้หญิงรักทําให้ผู้ชายรักก็มีทำให้ผัวรักก็มีนะมีเยอะแต่ามาไปว่าเขาไม่เห็นมีใครมารักเพราะว่าไปว่ามามีแต่คนกระพืชอกระเพืชเพราะสมาธิเกินไปสมาธิเกินไปคนนีหมดแร้จิตไม่พัฒนาแล้วมันมีหลายอย่างหลายเนยะเพราะฉะนั้นก็ได้ความออกมาว่าคาถาเป็นบริกรรม เพื่อเป็นสะพานให้จิตเดินไปถึงที่หมายแล้วก็ทิ้งสะพานได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ครังที่กระทำมันขลังอยู่ที่จิตมันที่มีสติควบคุมไว้ยึดมั่นในองค์ภาวนาคือไม่มีอุปาทานยึดอย่างอื่นนอกเหนืออย่างจุดมุ่งหมายอันเดียวนี่มันจึงจะขลังแล้วทีนี้เราเสกนี้ให้มันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นแต่จิตมันสูงขึ้นมันถึงจะเป็นน้องนี่ ไอ้ีว่าตามไปดูอ่ะอัตมาไปดูไอ้ที่ตามไปดูเขาเปิดทีวีที่ว่ารบปรีบ้านยมเซ้งไอ้คนนุ่แก่แกแต่แก่ก็มาเสกใบพลูเสกกช่ไหมเสกเสกอัตมาอ๋อนี่ตำลาเราเคยได้ท่อหลอหล่อท่อหลอท่อหลอน่ะนะแล้ววาคาถาเสกใบพลูเคี้ยวเคี้ยวเคียววาคาถาแบบเคี้ยวใบพลูแล้วหัวมงไอ้ลูกทุเรียน อาธุเรียนก็โยงึ้นไปสูงๆแล้วมองได้ไหมมองไม่ใไไห้เป็นายง่ายๆอยากเรียนไหมล่ะเดี๋ยวจะไปเอาทุเรียนมาลงมงศีรษะเรา <c oughs> บางทีคนแค่กัไปจับนเนื้อล